แนะนำบทอัลอินซานบทอัลอินซานหรือบทอัดดะห์รีเป็นบทมะดะเนียะห์มี 31 องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิเราะห์โดยเฉพาะความสุขสําราญของบรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่อย่างถาวรในสวนสวรรค์อันบรมสุขบทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอน และเตรียมให้เค้ารับหน้าที่ที่จะถูกมอบหมายในเรื่องของการเคารพภักดีโดยอัลเลาะห์จะทรงให้เค้ามีประสาทความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินได้เห็นเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงความสุขสําราญที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เค้าในปรโลกสําหรับชาวสวรรค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความสุขอย่างละเอียดพอสมควรโดยกล่าวถึงพวกเค้าในการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา การให้อาหารแก่คนยากจนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์การกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์การกล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ได้ทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาในวันที่มีแต่ใบหน้าบูตรบึ้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแล้วบทได้สรุปถึงสิ่งที่พวกเขาจะรับจากอัลเลาะห์เช่นการตอบแทนและการได้รับเกียรติในสถานที่พำนักและสิ่งที่อัลเลาะห์ จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตตากรุณาและความโปรดปรานในวันแห่งการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสําราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็นบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอัลกุรอานนี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ใคร่ครวญหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุขุม ซึ่งต้องการแสงสว่างจากอัลกุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮัลอะจาอะอะลัลอินซานีนมินอดดะห์รลัมยักุนชัยอันมัซกูรอแน่นอนกาลเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยอินนาคอลักกะนัลอินซานะมินนุตฟะติอัมชะญะนัดตะรีฮิฟะญะลลานะฮูสะมีอันบะศิรอถ้าจริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ําเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทําให้เขาเป็นผู้ได้ยิน เป็นผู้ได้เห็นอินนาฮะดีนาฮุสซบีลอิมมาชาคิรอนวะอิมมากัฟูรถ้าจริงเราได้ชี้แจงทางนําให้แก่เขาแล้วบางทีเค้าก็เป็นผู้กตัญญูบางทีเค้าก็เป็นผู้เนรคุณอินนาอออเตดนาลิลกาฟิรินซะลาซิลวะอักลาลวะซะอีรอถ้าจริงเราได้เตรียมโซ่ตรวน และกุญแจมือและไฟที่ลุกโชติช่วงสําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วอินนัลอบรอรยัชรบูนมินกาสคานมิซาจูฮากาฟูราแท้จริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ําซึ่งผสมด้วยการะบูนหอมไอนัยยัชรบบิฮาอิบาดุลลอฮิยัจฟิรูนะฮาตัจญีรา เป็นตาน้ำพุที่ปวงบ่าวของอัลเลาะห์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือยูฟูนับนัซรวะยะคาฟูนยะอ์มานกานะชัรุฮุมุสตะตีรอนพวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานและกลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่ววะยุตอมีนัตฏออมาอะลาฮุบะฮิมัสกีนาวะยะตีมาวะอะซีรา และพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเจลีย์ศึกอินนามะนุฏอิมุกุมลิวะฮิลลาฮีลานูริดุมินกุมจะซาออวะลาชุคุรอนพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลเลาะห์ เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใดอินนา نخاف الربنا يوم النابوسا قم طريرا แท้จริงเรากลัวต่อพระผู้พิพากษาของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหัส فواقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا ดังนั้นอัลเลาะห์จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้น และจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และไหมแพร่เนื่องจากพวกเขาอดทนมุตะกีนฟีฮาอะลาลอาราอิกลายะรูนะฟีฮาชัมซาวะลาซัมฮะรีรา พวกเขาจะนอนเอกเณกอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บและร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิด และผลไม้ในสวนสวรรค์จะถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทําด้วยเงินและแก้วน้ําที่ทําด้วยแก้วใสถูกวนเวียนอยู่รอบๆพวกเขา แก้วที่ทําด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิงในสวนสวรรค์นั้นมีตานน้ําพุที่มีชื่อว่า سَلْسَبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا لما เด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบๆคอยรับใช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงราย وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَرَّأْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا เมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุข และอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล อาลيهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا บนพวกเขามีผ้าสีเขียวทําด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบและถูกประดับด้วยกําไรเงินและพระผู้อภิบาลของพวกเขา จะส่งให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งอินนาฮาซากานะละกุมจะซาอูวะกานะซะอียุกุมมัชกูรอนแท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบำรุงของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีอินนานะห์นุนัซัลนาอะลัยกัลกุรอานะตันซิลาแท้จริง โดยประธานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอนรอซบิลลิฮกมิร็อบบิกวะลาตออมินฮุมอาฟิมันเอากัฟูราดังนั้นเจ้าจงอุทวนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่ว และผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาวะซกุริสมารซบิกบุกเราะตันวะอศิลาและจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเย็นวะมีนัลไลลตัสจุดละฮูวะซบิหูไลลันตาวีลาและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุญูดต่อพระองค์และจงแสร่สองสลูดีต่อพระองค์ ในยามกลางคืนอันยาวนานอินนาฮาอูลาอิยุฮับบุนาลอาญิละวะยัดรุนาวะราอามยะอ์มานฏะกีลาแท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราว และปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังของพวกเขานะห์นุคอละกูนาฮุมวะชัดดัดนาอัสเราฮุมวะอิซาชิอ์นาบัดดัลนาอัมซะละฮุมตับดีลาเราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทําให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสงค์เราจะเปลี่ยนแปลงเอาพวกอื่นเยี่ยงพวกเขามาแทนอินนาฮาซีฮิตัซกิรา تَمَنَّى شَأَنَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا تاจริงนี่คือข้อเตือนสติ ดังนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้พิพากษาของเขา وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ถ้าพวกเจ้าจะไม่สมปรารถนา เว้นแต่ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงภูมิชาญญาณยูดาคิลูมัยยาชาอูฟีเราะห์มะติฮิวัลซอลิมีนาอัดดะละฮุมมะอซาบันอะลีมาพระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สําหรับพวกเขา